มากกว่ารายรับก็แสดงว่าขาดทุนถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็แสดงว่ากําไรถ้าขาดทุนก็ไม่สบายใจถ้ากําไรก็สุขใจสบายใจ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 สบประการด้วยกันคือหนึ่งบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทาน 2. บุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปเรียกว่าศีล 3. บุญที่เกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าภาวนาสี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 คนที่ไม่ทำบุญกันมักจะต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันเพื่อที่จะได้ให้ความสุขแก่ใจแต่เป็นการให้ความสุขเดียวๆพอกลับไปก ล, บกลับไปใบบ้านกลับจากการเที่ยวความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเราก็จะทำให้เกิดความอยากที่จะไปเที่ยวอีก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 อย่างนี้จะเป็นเมืองใหญ่ซึ่งบางทีก็จะหาพระใสบาตรไม่ได้เราก็สามารถที่จะใสบาตรได้ด้วยการแบ่งเงินที่เราจะเอาไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเอาใสบาตรนั้นใสไว้ในกระปุกหรือแยกบัญชีไว้ส่วนหนึ่งว่าวันชีนี้เป็นวันทีสำหรับการทำบุญใสบาตร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 ถ้าไม่ได้ทําทานจิตใจจะแข็งกระด้าจงจิตใจจะมีความโหดเที่ยมไร้ความเมตตากรุณาก็เวลาจะรู้สึกรักษาศีลยากแต่ทานนี้จะทําให้ใจอ่อนลงมาจะทําให้ใจเป็นใจที่มีความเมตตากรุณามีน้ําจิตมีน้ําใจจะทําให้ไม่อยากจะทําบา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 เกเป็นเป็นนิสัยจะไม่ทําบาปยกเว้นในกรณีที่พังเผลหรือลุกแก่โทสะโมหะหรือโลภะเท่านั้นแต่ถ้าเป็นปกติแล้วจาไม่ทําโดยเด็ดขาดถ้าสามารถรักษาศีลได้อย่างเป็นปกติอย่างนี้เวลาสิ้นปีอย่างวันนี้ถ้ามาทบทวนมาดูบัญชีบุญกับบัญชีบา รับ ล, ลองได้ว่าบัญชีบุญนี้จะต้องมากกว่าบัญชีบาปอย่างแน่นอนถ้าทำธรรมทานอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันแล้วรักษาศีลได้ทุกวันทุกวันเวลาสิ้นปีนี้จะได้กาไรถ้าเป็นบริษัทก็จะมีเงินโบนัสแจกให้กับพนักงานเวลาตายไปผู้ที่ทำทานและรักษาศีลได้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์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 สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพที่ได้จากการบำเพ็ญทานศีลและสมถะภาวนานี้จะเป็นสวรรค์ที่มีการเสื่อมได้คือบุญที่ได้สร้างไว้นี้เป็นเหมือนน้ำมันที่เราเติมใส่ในรถยนต์แล้วเราก็ขับรถยนต์ไปตามสถานที่ต่างๆไม่นานน้ำมันที่อยู่ในถังรถยนต์ก็จะหมดไป เมื่อหมดไปรถยนต์ก็ต้องกลับไปที่สถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันใหม่ใจก็เหมือนกันเวลาใจได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้เจริญสมถ ภ, ภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิเวลาตายไปก็จะได้ไปเป็นพรหม ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมแล้วพอเวลาผ่านไปบุญที่ได้รับจากการสร้างพมมาโลกนี้สร้างการเป็นพรมนี้ก็จะเสื่อมหมดไปใจก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพพอบุญระดับชั้นเทพหมดไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่การมาเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการไปจอด รถที่สถานีบริการเพื่อจะได้เติมน้ำมันใหม่นั่นเองเพื่อรถจะได้วิ่งต่อไปได้พอพวกเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ใจที่มีนิสัยชอบทำทานชอบรักษาศีลชอบภาวนาก็จะกลับมาทำทานใหม่รักษาศีลใหม่ภาวนาใหม่เหมือนท่านทั้งหลายมาทำกันในวันนี้ไม่มีใครบังคับมาให้ทำ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 ดนันบุคคลที่มาที่สถานที่ในวันนี้ก็อาจจะมีแรงผักดันมาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่เราทำไว้ในอดีตถ้าเราทาบุญเก่ามากบุญเก่าก็จะมีแรงผักดันให้เรามามากถ้าเราทำบุญเก่าน้อยในอดีตก็จะผักมาได้น้อย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 ก็จะมาทันทีมาฟังเทศฟังธรรมด้วยมาเสริมบุญข้อบุญที่สำคัญข้อที่สี่ร่วมกับการเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนาภาวนาซึ่งเป็นภาวนาขั้นที่สองถ้าเราอยากจะได้บุญที่ไม่เสื่อมหลังจากที่เราได้บุญระดับ สมถะภาวนาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะได้เปลี่ยนบุญที่เป็นบุญชั่วคราวที่ได้จากสมถะภาวนาไปเป็นบุญถาวรเป็นบุญที่ไม่เสื่อมเป็นบุญของพระอริยเจ้าสี่ขั้นด้วยกันก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต จะได้บุญถาวรด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาคาว่าวิปัสสนาก็คือรู้เห็นสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของเขาสภาวธรรมทั้งหลายมีความจริงอย่างไรก็คือหนึ่งมีความอนิจจงมีความไม่เที่ยงมีเกิดและมีดับไปเป็นธรรมดาเป็น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 เรียกว่าทุกในอริยสัจสีใจของเราทุกนี้ไม่ได้ทุกเพราะฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่ได้ทุกเพราะการเจริญหรือการเสื่อมของลาบยศส่รเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะของร่างกายของเราใจของเราทุกเพราะความอยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามความต้องการของเราเช่นเราอยากให้ลาบยศ สรนเสรินี้เจริญอย่างเดียวไม่อยากให้เสื่อมพอเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาพอเวลาเกิดการไม่เจริญขึ้นมาเราก็วุ่นวายใจกันมันหมดเช่นเรากาหนดเราทำงานมีบริษัทเราก็ต้องกำหนดว่าปีนี้จะต้องกำไรเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นพอทำไม่ได้สิบเปอร์เซ็นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะเราไม่ได้ไปดูความจริงกันว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เสมอไปใช่บางเวลาเราสั่งได้บางทีเราสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้เรามันก็เป็นอย่างที่เราสั่งแต่บางทีสั่งแล้วมันไม่เป็นแทนที่จะกรราไรสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะติดลบสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้พอไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเรามันก็เลยทำให้ใจลอกทุกข์ขึ้นมา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 เป็นธรรมที่จะทำให้เราสามารถรักษาบุญต่างๆที่เราสร้างไว้ได้ไม่ให้เสื่อมหมดไปถ้าเราได้บุญระดับพรหมแล้วเรามีวิปัสสนาเราก็สามารถแปลงล้มบุญระดับพรหมนี้ให้กลายเป็นบุญที่ถาวรที่เรียกว่าอริยมรรคอริยผลได้เป็นบุญของพระอริยเจ้าสี่ขั้นด้วยกันคือขั้นพระโสดาบัน ข่านพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์พอได้ขั้นที่สี่เราก็จะได้บุญที่เต็มเปลี่ยมในหัวใจท่านก็เรียกว่าบุญนั้นว่านิพพานท่านั้นเองคำว่านิพพานก็คือบุญที่มีเต็มเปลี่ยมอยู่ภายในหัวใจสําหรับพระโสดาบันนี้บุญยังไม่เต็มบุญยังได้เพียงส่วนหนึ่งยังเหลืออีกสามส่วนที่ต้องเติม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 เราก็เรียกกิจนั้นว่านิพานนั่นเองนิพานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นที่ว่างเปล่าอย่างที่เราคิดกันอย่างที่คำเราได้ยินว่านิบานังปลมังสุญยังนิพานเป็นความสุญที่ยิ่งใหญ่ปลมังแปลว่ายิ่งใหญ่สุญยังแปลว่าความสุญความสุญ น, นี้หมายถึงสุญจากความทุกข์ ในใจนี้มีแต่ความสุขเต็มไปหมดไม่มีที่ให้ความทุกข์เข้ามาได้เลยท่านหมายความว่าอย่างนั้นใจของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี้ยังไม่เป็นปรมังสุญยังยังมีส่วนที่ความทุกข์ยังเข้ามาได้อยู่เช่นพระโสดาบันมีความสุขอยู่หนึ่งส่วนยังมีความทุกข์เข้ามา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 ในถังน้านั้นได้แล้วเพราะถังน้ำนั่นเต็มไปด้วยน้ำนี่คือความหมายว่าปรมังสูญอย่างไม่มีที่ว่างสำหรับความทุกข์ความทุกข์สูญหายไปหมดเหลือแต่ปรละมังสุขขังมีความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจและการที่เราจะได้ทาเหล่านี้ได้บุญเหล่านี้ก็เกิดจากบุญที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง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 ที่จะทำเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มร้อยทานก็ทำอย่างเต็มร้อยศีลก็รักษาอย่างเต็มร้อยภาวนาก็รักษาอย่างภาวนาอย่างเต็มร้อยพอทำแล้วพอทาได้เต็มร้อยแล้วผลก็จะเต็มร้อยขึ้นมาผลกับเหตุมันเป็นของสอดคล้องกันผลไม่ได้เกิดจากหมอดูหมอเดา ไม่ได้เกิดจากการทำนายถ่ายทั้ของผู้นั้นผู้นี้แต่เกิดจากการสร้างเหตุของพวกเราเองเราต้องสร้างเหตุให้เต็มร้อยผลมันก็จะเต็มร้อยอย่างผู้ที่เขาสร้างเหตุเต็มร้อยก็คือนักบวชทั้งหลายทานนี้เขาก็ทำเต็มร้อยมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่เขาก็จะละไปหมดเพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทอง นักบวชนี้เพียงแต่มีปัจจัยสี่ไว้ดำรงชีพก็พอเพียงแล้วพอมาบวชเรื่องปัจจัยสี่ก็มีผู้อื่นอาสาสมัครมาดูแลให้มีผู้ใส่บาตรให้มีผู้สร้างกุฏิที่อยู่อาศาัยให้อยู่มีผู้บริจาคผ้าไตรจีวรให้สวมหม่มมีผู้ให้ถวายยารักษาโรค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 กวดน้ำอุทิศให้กับผู้ที่ร่วมลับไปแล้วเราก็ทำไปเวลามีเพื่อนบ้างชวนไปทำบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเขาไปไม่ได้ก็ฝากเงินไปก็ได้หรือไม่มีไม่มีเงินก็เพียงแต่แสดงความชื่นชมยินดีก็ยังดียังดีกว่าไปคาดค้านไปขัดขวางเขาบางครั้งคนใกล้เคียงเร า, าชอบทำบุญแต่เราไม่ชอบทำบุญ พอเขาทําบุญทีไรเราก็หงุดหงิดใจทุกทีเสียดายเงินทุกทีอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นเงินของเราแต่ถ้าเขาทําบุญแล้วเขามีความสุขเราก็อนุโมทนาบุญไปกับเขาเราก็จะได้รับความสุขด้วยหรือเวลาที่เราเห็นใครตกทุกข์กได้ยากเดือดร้อนเราพอที่จะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปมีข่าวแบ่งกันกินไป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 แล้ถ้าเรามีธรรมระดับไหนเราก็สามารถที่แบ่งให้กับผู้ที่เขาไม่มีก็ได้เวลาใครเขามีความทุกข์ใจเขามาปรึกษากับเราเราก็จะได้เอาธรรมะของพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติได้ปฏิบัติมาใช้ได้ผลลราสอนเข้าไปว่าทําอย่างนี้สิทําบุญสิรักษาศีลสิสทาแล้วจิตใจจะดีขึ้นสบายขึ้นจะฟงจะวางได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น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 มาเตผวตวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทนศิลิศานิจังอุทาปจายโนจัตตารธรรมาวะทานติอายุวโนโสุขังพาลางในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม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 ส่วนของภาวนาที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาซึ่งถ้าศึกษาไปปฏิบัติไปก็จะถึงจะเข้าใจเองคำถามต่อมาค่ะจากคุณกนกพรภาาัยสารอัศวเสนีอยากถามว่าข้อแรกพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสตัณหาแล้วหลังจากที่ตรัสรู้คือไม่สร้างตัณหาใหม่คือไม่อยากอีกแล้ว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 ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่พวกเรายังมีกันอยู่ภายในหัวใจที่ทําให้พวกเราต้องกลับมาเกิดแก่เดีบตายกันอยู่เรื่อยๆแต่พระองค์นี้ได้ทรงค้นพบทางที่จะทําให้ความอยากทั้งสามนี้สิ้นสุดไปหมดไปจากใจหลังจากที่ทําได้แล้วก็ทรงเอาวิธีการที่จะทํานี้มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกแต่ตอนที่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 ความกรุณาก็คือความสงสารอยากให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ถ้าจะเรียกว่าเป็นความอยากก็อยากให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์เท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่เป็นความอยากเดียสอนแล้วจะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ท่านก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่พ้นก็ไม่เดือดร้อนพ้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากสอนด้วยความสงสารคําถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะ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 คือคนมาพูดก็พูดแบบคนตาบอดพูดไม่รู้ว่าคําว่าว่างเปล่ามาจากไหนในพระไตรปิฎกไม่มีแสดงว่าขันห้าว่างเปล่าเลยท่านอาจจะมาแปลจากคําว่าอนัตตามคําว่าอนัตตานี้แปลว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่ว่างเปล่าอขันห้ามีอยู่เนี่ยรูปเรามีอยู่หรือเปล่าเนี่ยร่างกายเรามีหรือเปล่าถ้ามีแล้วจะว่างตรงไหน มันไม่ว่างมันเป็นแต่ว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งพูดง่ายๆมันไม่มีคนอยู่ในร่างกายนี้เราไปสมมุติว่าเราเป็นคนขึ้นมาจากใจของเราเองเราไปสมมุติว่าเราอยู่ในร่างกายนี้เราไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้มาเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้เราแล้วเราก็หลงไปคิดว่าคนรับใช้นี้เป็นเราไปเข้าใจมเหมือนกับรถยนต์เนี้ย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 ไม่ใช่ร่างกายนี้ว่างเปล่าคนอ่านหนังสือไปแล้วก็แปลไปตามความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สร้างความสับสนขึ้นไปแล้วก็ไปแปลกับนิพพานที่คําว่าที่เรียกว่าว่างม่คตรเละเรื่องกันละนิพพานท่านว่าเป็นศูนย์อย่างเอถึงเมื่อกี้ก็ได้แสดงไว้แล้วมันว่างจากความทุกข์ว่างจากความวุ่นวายใจที่เรียกว่าว่างศูนย์ยัง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 ลมก็ระเหย อ, ออกมาทิ้งไว้นานๆเข้าร่างกายก็แห้งกรอบปล่อยทิ้งไปนานๆเข้าก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปมันก็มีแค่นี้คำ ว, ว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่างเปล่ามีร่างกายมันไม่ว่างเปล่ามันมีมันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราลู้ความจริงอย่างนี้แล้ว เ, เราจะได้ไม่ไปตกใจกลัวเวลาร่างาร่างกายเป็นอะไร ตอนนี้เราตกใจกลัวกันเวลาร่างกายแก่ก็กลัวกันละเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวกันเวลาจะตายก็ยิ่งกลัวใหญ่เนี่ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้พวกเราแก้ความหลงนี้ด้วยการเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราอนัตตา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 แต่ถ้ามันไม่เป็นของเราใครเอาค้อนไปทุบเราจะโกรธไหมไม่โกรธพวกเราต่างกับพระเจ้าตรงนี้ตรงที่ว่าเรายังไปคิดว่ารถเป็นของเราอยู่พอใครเอาค้อนไปทุบเราก็โกรธแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นของท่านใครจะไปทุบท่านก็ไม่โกรธต่างกันตรงนี้คําถามต่อต่อมานะคะจากคุณนรวิทย์ค่ะ ตอนทำสมาธิรู้สึกว่าเบาเบาใจไม่เคร่งหรือตึงมากอยู่กับความรู้น้อ ย, อยเห็นความคิดการปรุงแต่งทั้งหลายมีอยู่แต่ไม่ได้มารบกวนใจให้ราคาญอุปมาเหมือนเรานั่งอยู่นี่มีคนเดินผ่านไปมาเราอยู่กับความรู้อันนี้ส่วนการพิจารณาให้ราบไปเลยปัญญาอย่างเราสามารถ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 ในวิธีหนึ่งเอกวิธีหนึ่งก็เอาลมอย่างเดียวดูแต่ลมไม่ต้องพุโทโธให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้าลมออกเข้าดูอยู่ที่ลมอย่างเดียวอยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามก็เอาพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจลมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวมันไม่ใช่จาเป็นว่าจะต้องลมกับพุโทโธควบคู่กันไปเสมอ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 ปนเข้ามาในถาดเดียวถ้ากินอย่างเดียวแล้วมันไม่อร่อยมันไม่อิ่มมันไม่ถึงรสถึงชาติแต่ถ้าเอาแบบเออเอาแบบนี้ครึ่งหนึ่งแบบนั้นครึ่งหนึ่งมารวมกันในถาดเดียวมันรู้สึกว่าแมมันกินแล้วน่ากินขึ้นกว่าอันนี้ก็แล้วแต่จริตนิสัยนะบางคนก็เอารุ่นๆถาดเดียวบางคนก็เอาผสมอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิบางคนก็เอาลมรุนวนๆอย่างเดียว บางคนก็เอาพุโทโธล้วนๆอย่างเดียวบางคนก็เอาลูกครึ่งเอาหลมด้วยเอาพุโทโธด้วยอย่างไหนก็ได้ขอให้ทำาเ้าใจเราสงบก็ใช้ได้ต่อจากท่านเดิมค่ะถามต่ออีกนิดว่าเคยดินว่าคาบริกรรมพุโทโธเคยดิ้นว่าเราสามารถทำได้ทุกอริยาบทแต่สงสัยว่าเวลาเราสวดมนต์หรืออ่านหนังสือ ใจเราจะวิ่งไปดูที่ตัวหนังสือทําให้บริกรรมพุโทโธในใจไม่ได้เราควรให้ใจเราสนใจที่ตัวหนังสือถูกหรือเปล่าคะอันนี้เรียกว่าเถนตรงไม่มีปัญญาพอก็ไหวพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวพอทําอย่างอื่นก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเอาเวลาทําอย่างอื่นก็หยุดพุดโทโธไปสิเวลาอ่านหนังสือก็อ่านไปสิเวลาบวกลบคูณหารทําบัญชีจะไปพุโทโธได้ยังไง ถึงเวลาจะทำอะไรก็ทำไปที่ถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ก่อนที่ให้ใช้พุโทโธไวส้สำหรับเบรคความคิดที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดเท่านั้นเองแต่ความคิดที่จำเป็นจะต้องคิดต้องใช้ก็ใช้ไปพอเวลาขับรถก็อย่าไปพุโทโธแล้วไม่ดูรถไม่ดูถนนมันต้องรู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังอันไหนสำคัญกว่าอย่าเป็นเถนตรงนะถามแบบเถนตรงเลย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 แต่ถ้าเขามาหลอกหนูก็ยังกลัวอยู่ดีถ้าคำว่าไม่กลัวผีแล้วเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าเขาจะมาดีมาร้ายหนูก็ต้องไม่กลัวหมดเลยอย่างนั้นถูกไหมคะคาว่าไม่กลัวแปลว่าอะไรเลยโอ้ยเข้าใจคะ่ะแหมไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่มีไม่กลัวแบบมีข้อแม่ด้วยเนาะถ้าเขามาไม่หลอกก็ไม่กลัวแล้วถ้าเขาหลอกก็กลัว เมื่อก่อนมันจะปรุงไปเลยว่าเขาต้องหลอกเราแน่ๆอะไรยเงี้ยค่ะว่อันนีคือกลัวน้อยลงแต่ยังกลัวอยู่ค่ะก็ลองไปเยี่ยมป่าช้าดูเลยไปกลางวันก่อนก็ได้ไปเยี่ยมป่าช้ากลางวันก่อนไปคนเดียวสืุ่สารที่เขาฝังศพเนี่ยป่าช้าสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเขาไม่ฝังอ่ะเขาทิ้งศพไว้เกินกาดให้ดู แต่สมัยนี้ก็ฝังไว้ไม่เห็นศพเพียงแต่เห็นป้ายชื่อเขาต้นเองลองไปเยี่ยมปา่าช้าแบบนีน้ดูก่อนก็ได้สุสานที่เขาฝังศพเนี่ยต้องไปกลางวันก่อนจะไปตรวจดูสถานที่ให้เรียบร้อย ว, ว่ามีอะไรไม่มีอะไรแล้วต่อไปก็ไปตอนกลางคืนดูอยังหนูไปได้แล้วหรออ่าก็ <c oughs> อ, อยากจะรู้ว่ากลัวไม่กลัวหายกลัวไม่หายกลัว <c oughs> มาถามเราทํำไมของนี้มันต้องสันทิติโกผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่รู้ด้วยตนเอง งั้นอีกค ำ, คำถามหลังเลยผมก็เหมือนจะได้คําตอบแล้วเราจะถามว่าเรื่องสันเสริญดินทาค่ะคือตอนก็ก็ต้องเจอกับสันเสริญดินทาแล้วเมื่อก่อนก็จะไม่ชอบไม่ชอบจะเอาแต่สันเสริญอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเราบังคับความคิดความเห็นของคนอื่นไม่ได้หรือหรือคนอื่นเราจะทําให้ก็จะทํำยังไงก็ตามถ้าเขาจะไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดี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 นะเอาแค่นี้แหละนะมีใครอยากจะถามก็บอกถามนะอย่ามาเล่าให้ฟังนะถามปัญหานะอย่าห้ามมาเล่ามาเทศให้เราฟังนะเปิดไมได้ค่อนปพูดใกล้ๆหน่อยครับอ่าก็คืออ่าผมปฏิบัติไปครับทีนี้ในส่วนของอเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยก็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 เกิดจะมีภัยรอบด้านแล้วเราทําใจปล่อยวางได้หรือเปล่าก่อนถ้าเรายังปล่อยกายไม่ได้เลยเราจะเข้าไปปล่อยใจไม่ได้เพราะใจมันยากกว่าการปล่อยกายอีกหลายเท่าด้วยกันถามนะอย่าเล่านะ <laughs> ชอบเล่าเลยก่อนพูด ถ, ถึงเรื่องครวัวผีนะคะตอน จะบอกว่าไม่เล่าก็เล่าอะค่ะก็คือตอนที่เก็บตัวภาวนาจริงๆอะค่ะก็คงอยู่ที่เดียวกับที่หมอกร้อยพูดอะค่ะมันก็มืดอะค่ะเพราะไม่ได้เปิดไฟแต่ตอนที่ภาวนาคิดว่าถ้าใครภาวนาจริงๆในเบื้องต้นเนี่ยเวทนามันออกมามันมันรุนแรงเกินกว่าที่จะคิดกลัวผีนะคะว่าจะ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 ไม่ไม่ไม่ไม่มากะก็เป็นเรื่องของชีวิตจริงแล้วก็ก็เป็นเรื่องของการทำงานนะฮะช่วงระยะทำงานมาก็เกือบสามสิบปีแล้วแต่ก็ทราบว่าการมีสมาธินะสำคัญเวลาเจอเข้าผู้คนมากมายในหลายสถานการณ์ก็มักจะตัดสินใจเร็วหรือจะรีแอคเร็วพอรียกไปแล้วก็มีในส่วนของที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้อง ีนี้ก็มานั่งเสียใจว่าถ้าใช้เวลาในการยึดติกต่องสักนิดหนึ่งไอ้สิ่งที่ถูกถูกต้องและจะมากกว่าก็เลยเยันขอคําแนะนําจากท่านพระชาจารย์นะครับว่าจะทําให้ถูกต้องได้มากขึ้นไหมเพราะว่าใช้เวลาคิดแล้วเนี่ยรู้สึกยันเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ได้ตอบสนองไปแล้วนั้นรีแอคเร็วเกินไปก็เราต้องฝึกทั้งสมาธิทั้งปัญญาคือสมาธิเราก็ต้องรู้จักทําใจให้หยุดได้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 ใจของเราจะมีเหตุมีผลมากขึ้นอารมณ์จะน้อยลงแล้วเราสามารถที่จ ะ, อะมองปัญหาเรืองตอบปัญหาแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็จะมีเวลา ย, ยับยั้งชั่งใจว่าพูดไปนี้ดีแล้วไม่ดีควรแล้วไม่ควรควรจะพูดมากพูดน้อยเพียงไรเพื่อที่จะให้ได้เกิดผลที่เราต้องการ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 เราเวลาใช้ปัญญาก็ใช้หลักความจริงคิดตามเหตุตามผลว่าทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้ ค, คิดว่าควรจะทำอย่างไรดีชั่งน้ำหนักอันนี้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรมเหมือนกับการที่เราทำอะไรต่างๆเราก็ต้องอบรมฝึกฝนเช่นเราจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดเราก็ต้องหัดพิม หัดพิมไปเลื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชำนาญแล้วมันก็จะทาได้อย่างรวดเร็วแต่ในเบื้องต้นก็ต้องหัดจิ้มแ ป, ป้นไปก่อนจิ้มไปทีละตัวก่อนตอนที่เรายังฝึกสมาธิปัญญาอยู่เราก็อาจจะต้องช้าหน่อยก่อนที่จะตอบคำถามหรือก่อนที่จะทำอะไรไปให้ถูกต้องเราอาจจะต้องใช้เวลานั่งคิดนอนคิดสักพักก่อนก็ได้แต่ถ้าต่อไป ถ้าปัญญาเราสมาธิเราแก่กล้าแล้วเราก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ววอาจารย์ครับหมดปัญหาแล้วนะโอเควันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิสพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ